จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบวรศัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรม เป็นวันชำระกายวาจาใจให้สะอาดให้ปราศจากอกุศลคือกากรกระทาที่เกิดจากความไม่รู้หรือความโง่เพราะขาดสติปัญญาขาดแสงสว่างแห่งธรรมขาดการฟังเทศฟังธรรม ดังนั้นการมาวัดนี้ก็เพื่อมาสร้างกุศล ส, สร้างความฉลาดด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าฝังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้เกิดกุศลคือความฉลาดขึ้นมาเมื่อเกิดความฉลาดแล้วอกุศลที่มีอยู่ภายในใจ ก็จะได้รับการชำระขับไล่ออกไปจากใจตามลาดับอกุศลที่ทำให้ใจของเรามีความเศร้าหมองไม่สะอาดเรียกว่าอากุศลสิ์มีทางกายอยู่สามทางวาจาอยู่สี่และทางใจ อยู่อีกสามรวมกันเป็นอกุศลสิบเรียกว่าการกระทาที่ไม่ฉลาด ก, การกระทาที่ออกมาจากความโง่เขลาเบาปัญญาเนื่องจากไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมแต่ถ้าได้ปีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้มีแสงสว่าง ของธรรมะที่บอกให้เห็นถึงการกระทาที่ไม่ฉลาดนี้และจะได้กำจัดปัดเป่าให้หมดออกไปจากกายวาจาใจถ้าไม่กำจัดออกไปกายวาจาใจก็จะไม่สะอาดก็จะไม่มีความสุข จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นอย่างที่พวกเราทั้งหลายมีกันอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> ก็เพราะว่าเรายังมีอกุศลต่างๆอยู่ภายในใจของเรามีมากมีน้อยต่างกันไปถ้ามีอกุศลมากก็มีความทุกข์ความวุ่นวายใจมากถ้ามีอกุศลน้อย ก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยถ้าไม่มีอกุศลเลยก็จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเลยจะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาเช่นกายวาจาใจของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเป็นกายวาจาใจที่ปราศจากอากุศลสิทธิจึงเป็น กายวาจาใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยนี่คือเป้าหมายของพุทธศาสนิกชนของการมาวัดของการมาศึกษาพระธรรมคำสอนของการมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลง มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกำจัดอกุศลทั้งสิประการที่มีอยู่ในกายวาจาใจให้หมดสิ้นไปเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความสุขที่ปราศ จ, จากความทุกข์ความเศร้าหนองต่างๆดังนั้นในวันนี้จึงเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ที่จะต้องมาชำระมาลดละอกุศลทั้งสิบที่มีอยู่ในกายวาจาใจของตนให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปและให้หมดไปในที่สุดอกุศลทางกายนี้มีอยู่สามคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการรักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณีนี่เป็นการกระทำที่เกิดจากความไม่ฉลาดเพราะถูกอำนาจของความอยากการมาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาหลอกให้คิดว่าทำแล้วจะมีความสุขทำแล้วจะเจริญก้าวหน้าคนจึงยึดอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คนบางคนก็ยืดอาชีพลักทรัพย์ช่อโกงคนบางคนก็ยืดอาชีพประเติผิดประเวณีเพื่อที่จะหารายได้หาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ซื้อความสุขต่างๆแต่ไม่รู้ว่าการกระทําเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจมีความเศร้าหมองไม่มีความสุขเท่าที่ควร ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขแบบควันไฟมาแล้วก็จางหายไปเช่นเวลาที่ได้เงินมาแล้วก็เอาไปซื้อของที่อยากจะได้หรือเอาไปเที่ยวเอาไปทำอะไรที่อยากจะทำขณะที่ได้เที่ยวได้ทำก็มีความสุขแต่พอเสร็จแล้วก็จางหายไปเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว เหลือแต่ความเศร้าหมองเหลือแต่ความอยากที่อยากจะไปเที่ยวอยากไปซื้อข้าวของต่างๆอีกก็จะต้องไปทำบาปอีกต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดตัเลณนีเช่นคนที่ใช้ร่างกายของตนเป็นเครื่องมือทำมาหากินที่เรียกว่าโสเพณีพวงนี้ก็เป็น พวกที่ประพฤติผิดตเวณีหรือใครก็ตามที่ใช้ร่างกายของตนนี้ในทางร่วมเพศกับผู้อื่นด้วยเหตุผลกลไกลอันใดก็ตามถ้าไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาของตนก็ถือว่าประพฤติผิดตเวณีจะทำให้จิตใจเศร้าหมองมีความว้าวุ่นขุ่นมัว ไม่รู้จับจบจากสิ่งดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้มีจิตใจที่สงบที่เย็นที่สบายเราก็ต้องละอกุศลทั้งสารประการนี้คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ัดชีวิตละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติติดตัวเอนีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลไกอันใดก็ตาม บางคนก็อ้างว่าต้องทำมาหากินถ้าไม่ทำมาหากินก็จะอดตายแต่การทำมาหากินที่ไม่ต้องทำอกุศสนนี้ก็มีอยู่มากมายไม่จำเป็นต้องทำมาหากินด้วยมิจฉาชีพด้วยอาชีพที่ไม่ชอบด้วยการทำบาปทำกรรมเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อาชีพอื่นก็มีอย่างอื่นทำได้รับจ้างเขาหรือศึกษาหาวิชาความรู้แล้วก็ทำค้าขายต่างๆได้ไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ต้องไปลักทรัพย์ไปช่อโกไม่ต้องไปขายตัวไปประพฤติถิตอเวนีเราก็จะได้ความสุขความสงบของใจ ที่เราจะไม่ได้ถ้าเราทำอกุศลทั้งสามประการนี้ในวันพาก น, นี้เราจึงมาสมาทานศีลก็คือมาสแสดงเจตจำนงเจตนารมว่าวันนี้จะละเว้นจากการกระทำบาปที่เป็นอกุศลทั้งหลาย เช่นการฆ่าศัพท์ตัดชีวิตการลักทรัพย์และการประพฤติโดยนี้นี่คืออากุศลทางกายที่เราควรที่จะละลดและทำให้หมดไปให้ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยผู้มีคนที่เขาละได้เขาอยู่ได้เช่นพระที่มาบวชในพระพุทธศาสนาก็ละอากุศล ทางกายทั้งสามประการนี้ได้ ไ, ดไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีอย่างนั้นไม่มีข้ออ้างว่าทําไม่ได้ถ้าอยากจะทําเสียอย่างทําได้หรือว่าถ้ารู้ว่าการไม่ทําอกุศลนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ดีกว่าการไปทําอกุศลได้ไม่คุ้มเสีย เพราะนอกจากความทุกข์ความวุ่นวายใจแล้วยังต้องมีอบายคือพบชาติที่ไม่ดีที่จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมต่อไปเช่นถ้าเรายังทำบาป ท, ทำกรรมอยู่เวลาตายไปร่างกายเราก็ตายไปคือกลายเป็นดินกลายเป็นน้ำหลมไฟไป แต่ใจของเหล่านี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจผู้ที่เป็นเจ้านายของร่างกายนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําบาปทํากรรมนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและใจนี่แหละผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําบาปทํากรรมจะต้องเป็นผู้ไปรับผลบาปกรรมต่อไปคือแทงที่จะได้ไปสวรรค์ได้ไปเกิดเป็นเทเเป็นพรหม หรืได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมด้วยการไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างเพราะนี่คือกฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ไม่มีใครจะมาลบล้างได้ไม่ว่าจะรู้หรือไม่ก็ตามจะเชื่อหรือไม่ก็ตามถ้าได้ทำบาปแล้ว ก็จะมีผลบาปตามมาต่อไปอย่างแน่นอนนี่คือเหตุผลที่พวกเราควรที่จะละการกระทำบาปกันเพราะได้ไม่คุ้มเสียเราอาจจะได้ความสุขเล็กๆน้อยๆแต่เวลาเราตายไปนี้เราต้องไปรับกับความทุกข์ในอบาย หลายร้อยเท่าทีเดียวถ้าเราอดกัน้นอดทนไม่ทำบาปได้ถึงแม้จะอยู่แบบทุกข์ยากลำบากแต่เวลาตายไปเราจะได้ไปเกิดในสวรรค์เราจะได้ความสุขที่มี <Yeah. S 1> หลายร้อยเท่าของความทุกข์ที่เราต้อง รับในขณะที่เราไม่ทำบาป ท, ทำกรรมดังนั้นขอให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีเหตุผลมีกำลังใจที่จะไม่ทำบาปต่อไปคือบาป ท, ทางกายสามประการการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพึกิผิดประเวณีส่วนบาป ท, ทางวาจา ก็มีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. การพูดปดไม่พูดความจริง 2. การพูดคำหยาบ 3. การพูดเพ้อเจ้อไม่มีสาระพูดนินทาการเลและ 4. พูดส่อเสียดหมายถึงพูดยุยงให้ผู้อื่นแตกความสามขี นี่คือการพูดที่เป็นอกุศลไม่เป็นประโยชน์ทั้งกับผู้พูดและผู้ฟังต้องละเว้นให้ได้เวลาจะพูดอะไรก็ให้พูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ให้นิ่งเฉยไม่ต้องพูดใครถามอะไรถ้าเราไม่สามารถตอบได้ก็ขอตัวไปขออนุญาตไม่ตอบคำถามนี้ เขาจะคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่อย่างน้อยเราไม่ได้พูดปดมันก็จะไม่เป็นบาปติดตัวเราไปคำหยาบก็ไม่ควรที่จะพูดเพราะจะทำให้เราเป็นคนไม่สวยงามคนที่พูดคํหยาบนี้เป็นเหมือนคนที่ไม่ได้แต่งแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาทรที่สวยงามนั่นเองเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจ ไม่มีใครอยากจะฟังคำหยาบเพราะคำหยาบนี่ก็เป็นเหมือนขยะนี่เองไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้กองขยะฉันใดก็ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่ชอบพูดคำหยาบนาสารพูดเพ้อเจนก็ไม่ดีเพราะไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรไรสารพูดนินทากาเลว่าคนนั้นว่าคนนี้ ที่าควิจารคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พูดไปไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากถ้าพูดตามความจริงพูดเพื่อให้ผู้ฟังนั้นได้รับประโยชน์อย่างบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์สั่งสอนเรื่องของเรื่องความดีความชั่วแล้วก็ยกตัวอย่างของบุคคลที่ทา ความดีหรือความชั่วให้ดูให้เห็นเป็นรูปธปรรมถ้าพูดอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการพูดเพอเจ้อแต่พูดไปด้วยอารมณ์ที่ไม่มีไม่มีอารมณ์ที่ไม่สกแล้วก็พูดไปเพื่อระบายอารมณ์อย่างนี้ไม่ควรที่จะพูดและข้อที่สคือการพูดส่อเสียอันนี้หมายถึงการพูดยกยง ให้เกิดความแตกสามคัคคีอย่างที่เกิดขึ้นที่เราเห็นกันตามข่าวทุกวันนี้สังคมเราแตกแยกกันพูดให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันพูดให้เกิดการแตกแยกสามัคคีกันแทนที่จะพูดให้เกิดความรักความสามัคคีกันกับพูดแต่เรื่องที่จะทำให้มีการทะเลาะวิวาทกัน ทำไมไม่พูดเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันเช่นถ้าใครเขาทำผิดเขาทำไม่ดีก็ให้อภัยกันสอนให้คนเราให้อภัยกันอย่าไปถือโทษกฎเคืองกันอาฆาตพยาบาทต่อกันจองเวรจองกรรมกันไม่เกิดประโยชน์จะทำให้บ้านเมืองแตกแยกและเมื่อบ้านเมืองแตกแยกแล้วก็จะ อยู่ต่อไปไม่ได้ประเทศต่างๆที่ล้มละลายไปก็เพราะว่าคนในประเทศนั้นไม่สามัคคีกันไม่รักกันไม่ให้อภัยกันจะเอาแพ้อเอาชนะกันไม่ว่าสังคมใดก็ตามสังคมในครอบครัวก็เช่นเดียวกันครอบครัวจะอยู่กันเป็นตึกทันได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมีความรักความสามัคคีกันผู้จะ เพื่อให้รักกันให้สามรัคคีกันไม่ได้พูดเพื่อให้โกรธให้เกลียดกันต้องยอมรับว่าคนเรามีความแตกต่างกันมีการกระทำที่อาจจะไม่เห็นตรงกันทำไม่เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับความจริงอย่าเอาความไม่เหมือนกันนี่มาเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันให้เรามองไปที่ส่วนที่มีความเหมือนกัน เพื่อแล้วที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้ส่วนที่ไม่เหมือนกันก็ปล่อยให้เขาทำไปตามเรื่องของเขาถ้ามันเป็นภัยต่อครอบครัวก็พูดกันดีๆขอร้องกันว่าการกระทาแบบนี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อครอบครัวต่อสังคมถ้าเขาเชื่อก็ดีถ้าเขาไม่เชื่อก็ต้องปล่อยเขาไป อย่างน้อยเราก็ไม่ไปทำให้มันเลวร้ายลงไปกว่าเดิม น, นี่คือเรื่องของการพูดขอให้เราพูดเพื่อให้เกิดความรักสามมิคกันอย่างในหลงเวลาพูดทีไรท่านก็จะพูดว่าให้รู้รักสามมิตรนี่คือการพูดที่ดีอย่าไปพูดจ้องตำหนิคนนั้นคนนี้ กล่าวโทษคนนั้นคนนี้เพ่งเล็งแต่ความไม่ดีของเขาไม่ไปพูดถึงความดีของเขาเลยความดีคนเราทุกคนนี้มีทั้งความดีและความไม่ดีความไม่ดีนี้ถ้าพูดแล้วทำให้เกิดเป็นการทะเละวิวาทขึ้นมาก็ไม่ควรที่จะพูดพูดถึงความดีดีกว่าเพื่อที่จะทาให้เกิดความรักความสามัคคีกัน นี่คืออกุศลทางวาจา4ประการด้วยกันที่เราควรที่จะละควรที่จะเลิกอย่าพูดคืออย่าพูดปดพูดความไม่จริงนะสองอย่าพูดคำหยาบสาอย่าพูดเฟเจอร์สอย่าพูดส่อเสียเพื่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันถ้าเรา เป็นคนที่ไม่พูดอกุศลทั้งสี่ประการนี้แล้วคำพูดของเราจะมีน้ำหนักจะมีคนเชื่อถือเชื่อฟังเหมือนคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกคาพูดของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำพูดที่เป็นกุศลทั้งนั้นไม่เป็นอกุศลเลยเพราะเป็นความจริงเป็นสาระเป็นประโยชน์พูด แล้วก็เป็นคำที่เรียบร้อยสุภาพและพูดเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันพูดได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะพูดความจริงได้ก็อย่าพูดเสียจะดีกว่าถ้าเราไม่สามารถพูดคำสุภาพได้ก็อย่าพูดจะดีกว่าถ้าเราไม่สามารถพูดในสิ่งที่เป็นสาระได้ก็อย่าพูดจะดีกว่า ถ้าเราไม่สามารถที่จะพูดไม่ไม่พูดคำส่อเสียดได้ก็อย่าพูดก็ก็จะดีกว่าให้ปิดปากไว้เฉยเฉยก็จะไม่เสียหายนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะคำนึงควรมีสติคอยดูคาพูดของเราเสมอว่าตอนนี้เรากำลังพูดอะไรกำลังพูดอกุศลหรือเปล่า ถ้ากำลังพูดอกุศลก็ให้รีบหยุดเสียให้ระ ง, งับเสียเพราะไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษกับเราและเป็นโทษกับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาต้องเดือดร้อนและอาจจะทำให้เขาต้องอาฆาต จ, จองเวรพยาบาทเราก็จะกลายเป็นการสร้างศัตรูแทนที่จะสร้างเพื่อนสร้างมิตรก็จะเป็นการสร้างศัตรูที่จะมาทำให้ชีวิตของเรา มีความวุ่นวายมากขึ้นไปนั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามละอาอกุศลทางวาจาทั้ง4ี่ประการนี้ให้ได้ส่วนอกุศลทางใจนี้ก็มีอยู่สประการด้วยกันคือ 1. ความโลภสองความโกรธ 3. ความหลงนี่คืออกุศลทางใจอกุศลความโลภและความโกรธนี้ เป็นผลที่เกิดจากความหลงความหลงคืออะไรความหลงก็คือการไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรก็เลยเกิดความหลงที่ว่าความสุขอยู่ที่การได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายแต่หารู้ไม่ว่า ราบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกมือกายนี้ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะราบยศสรรเสริญสุขเหล่านี้มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมชาติของเขาเขาไม่เขาไม่นิ่งเขาไม่อยู่คงเส้นคงวาเขามีเจริญและมีเสือ่อม ถ้าเราไปยึดติดกับความสุขกับลาบยศสรรเสริญสุขเวลาเกิดสิ่งเหล่านี้เสื่อมลงไปก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเช่นเวลาสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปก็จะต้องมีความทุกข์ทรมานใจเศร้าโศกเสียใจสูญเสียยศสีลเสียสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกร่ากาย ก็จะมีความทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่เกิดจากความหลงจากการที่ไม่เห็นความไม่เที่ยงในของของสิ่งต่างๆเหล่านี้จากการที่ไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีอยู่ภายใต้อานาจของเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไป เราอยากจะให้รวยขึ้นไปเรื่อยๆนี้เราก็หาก้ามเราก็สั่งมันไม่ได้ถ้ามีเหตุจะทำให้จนก็จนได้ถ้ามีเหตุให้หลุดพ้นจากตำแหน่งก็หลุดได้ถ้ามีเหตุให้คนเข้าด่าเราก็ด่าได้เพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เราจรึงต้องสอนใจของเราอย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ เป็นโทษเป็นเหมือนระเบิดลูกระเบิดเราก็จะไม่โลภอยากได้แล้วถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่เกิดความโกรธเพราะความโกรธนี่เกิดจากความเวลาที่โลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจเวลาเราอยากจะได้อะไรแล้วมีใครมาแย่งไปก่อนหยิบไปก่อนเอาไปก่อนเราก็จะต้องเกิดความโกรธขึ้นมาทันที เราก็จะโกรธคนนั้นที่มาแย่งเอาสิ่งที่เราอยากได้ไปไม่ต้องพูดอะไรมากเพียงแต่ขับรถไปบนท้องถนนนี้มีคนมาปาดหน้าเราเพียงแค่นี้เราก็เกิดความโกรธแล้วเพราะเราไม่อยากจะให้เขาปาดหน้าเราเราอยากจะวิ่งไปก่อนเขานั่นเองหรือเวลาเราอยากจะได้อะไรแล้วมีคนอื่นแย่งไปอยากจะได้ตำแหน่งนี้ก็คนอื่นแย่งไป อยากจะได้ของชิ้นนี้ก็มีคนอื่นมาแย่งไปก่อนเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้อะไรเราจะไม่โกรธใครใครอยากจะได้อะไรก็เอาไปเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาได้ไปนั้นมันไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเหมือนลูกระเบิดเวลาเท่านั้นเองเอาไปแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกมันระเบิดใส่ใส่หน้าอย่างแน่นอนเพราะมันไม่เที่ยง เช่นเขาได้ไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเขาเกิดเสียไปหายศูญเสียไปเขาก็ต้องเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจเราไม่ได้เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราไม่ได้ตำแหน่งนี้ไม่เป็นไรเวลาก็ได้เขาก็ดีใจแต่พอเวลาลเขาถูกกดเขาถูกเลื่อนขั้นลงมาเขาก็จะต้องเสียอกเสียใจถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ยโลภอยากได้อะไร พอเรารู้ว่ามีมีความสุขที่ดีกว่านี้ก็คือความสุขที่เกิดจากการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี้เองเพราะเวลาที่เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจของเราจะนิ่งจะสงบจะมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือความสุขที่ได้จากลาบยศสลดเสรินสุขเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่โลภ ไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นไม่เคยอยากได้ลาภยศเสรเสรหรือความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเลยเพราะท่านไม่หลงท่านรู้ว่าความสุขแบบนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่ถาวรมีความเป็นมีการเสื่อมเป็นธรรมดาและเมื่อมีการเสื่อมลงไปก็จะต้องมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจตามมา ท่านจึงตัดความโลภตัดความโกรธต่างๆได้เพราะท่านใช้ปัญญาท่านพิจารณาตามหลักความจริงเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่ภายใต้อำนาจของไข่ทั้งทั้งสิ้นและเมื่อละท่าหลงไปยึดไปติดไปอยากจะได้ก็จะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ท่านจึงไม่ยึดไม่ติดไม่อยากจะได้อะไรท่านจึงได้ความสุขที่พวกเราไม่เคยได้กันคือความสุขที่เกิดจากการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นเองวันนี้พวกเราได้มาได้ยินได้ศึกษาแล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่การไม่หลงไปยึดไปติดไปอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้เอง ถ้าเราพยายามปฏิบัติลดละไม่ไปยึดไปติดได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่กระเสริฐนี้และการที่จะตัดความโลภความอยากได้ในสิ่งต่างๆนี้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้เองคือต้องนั่งสมาธิและตั้งจริญปัญญาสอนใจอยู่ทุกขณะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เช่นลาบยศสารเสรินสุขนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเรามีปัญญาสองใจมีสมาธิคือความสงบนิ่งเราก็จะสามารถตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงได้แล้วเราก็จะได้พบกับความสุข ที่ไม่มีความเสือ่อมเป็นความสุขที่เราควบคุมให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะเรามีธรรมะคือสมาธิและปัญญานี้เองนี่คือการละอกุศลทางใจสามประการความโลภความโกรธความหลงต้องละด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นของเราอยู่กับเราไปได้ตลอดถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่อยากจะได้อะไรเมื่อเราไม่อยากจะได้อะไรเราก็จะไม่มีความโกรธไข้เราก็จะมีแต่ความส ง, มสงบมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่อง หรือหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับพวกเราให้มาปฏิบัติกันทุกวันพระก็คือให้มาละอัคคุชนทั้งสิประการนี้ด้วยการทาบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการคำเทศและด้วยการปฏิบัติธรรมขอให้พวกเราน้อมเข้ามาปฏิบัติด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด เพราะพรุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วและได้รับผลประโยชน์อันประเสริฐนี้แล้วจึงได้นำเอามาเผยแพ่แบ่งปันให้แก่พวกเราถ้าพวกเราเชื่อแล้วนำไปปฏิบัติรับรองได้ว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดและจะมีความสุขเป็นเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลา จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาชำระอคุศสมทั้งสิบประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนะรัย